บันทึกที่สองในฌานเจริญวิปัสนาหรือบรรลุมรรคผลได้หรือไม่มักมีผู้สงสัยว่าในฌานจะเจริญวิปัสนาได้หรือไม่หรือว่าจะใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งใดๆดได้หรือไม่ผู้ที่เข้าใจว่าไม่ได้มักอ้างเรื่ององค์ฌานในปฐมฌานมีวิตกและวิจาร์พอจะคิดอะไรได้บ้าง แต่ฌานสูงขึ้นไปมีอย่างมากก็เพียงปีติสุขและเอกคตาจะคิดจะพิจารณาอะไรได้อย่างไรความจริงองคฌานเป็นเพียงองค์ประกอบที่เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าภาวะนั้นเป็นฌานอยู่หรือไม่และเป็นฌานขั้นใดมิใช่หมายความว่าในฌานมีองค์ธรรมเพียงเท่านั้นอันที่จริงนั้นในฌานมีองค์ธรรมอื่นๆอีกมากมาย ดังที่ท่านบรรยายไว้ทั้งในพระสูตรและพระอภิธรรมชั้นเดิมเช่นในมัชฌิมานิกายอุปริปันาากล่าวถึงฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงอากินจัญ ญ, ญายตนะทุกชั้นล้วนมีองค์ธรรมเช่นฉันทะอธิโมกวิริยะสติอุเบกขามนสิการเป็นต้นในอภิธรรมมปิฎกธรรมสังคณี แสดงองค์ธรรมทั้งหลายในฌานต่างๆทุกระดับโดยเฉพาะในฌานที่เป็นโลกุตระมีทั้งอินทรีห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีองค์มากครบทั้ง8มีสมถะและวิปัสสนาและองค์ธรรมอื่นอีกมากอัตถคถาดีกาขยายความหมายของข้อความอย่างที่พบในปฏิสัมพิทามัคอัตกถาวิสุทธิมัคและนิเทศอัตถถาให้เห็นชัดว่า สมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้โดยเป็นธรรมะควบคู่กันในชานจิตส่วนที่ว่าเมื่อไม่มีวิตกและวิจารณและคิดจะพิจารณาอะไรได้อย่างไรนั้นพึงเข้าใจว่าที่ไม่มีวิตกและวิจารณ์ก็เพราะจิตตั้งมั่นมีกําลังแน่วแน่เป็นอย่างมากแล้วจึงไม่ต้องคอยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือวิตก ไม่ต้องคอยประคองจิตให้เคล้าอยู่กับอารมณ์คือวิจารณ์ต่อไปอีกจึงยิ่งทำงานพิจารณาได้ดียิ่งขึ้นกว่ามีวิตกวิจารณ์ในคำพีวิสุทธิ์ที่มรคแสดงวิธีเจริญวิปัสนาว่าบุคคลที่เป็นสมถะยานิกออกจากฌานดาดฌานหนึ่งในบรรดารูปฌานและอรูปฌานทั้งหลาย เว้นแต่เนว่าสัญญานาสัญญาญาตนะแล้วพึงนกำหนดพิจารณาองค์ฌานทั้งหลายมีวิตกเป็นต้นและธรรมะทั้งหลายที่ประกอบร่วมกับองค์ฌานนั้นโดยลักษณะแล้วรสเป็นอาทิคำอธิบายที่ว่าออกจากฌานแล้วพึงกําหนดนั้นมองแง่หนึ่งอาจถือว่าเป็นเพียงแสดงตัวอย่างวิธีปฏิบัติแบบหนึ่ง พระนาดีกาที่อธิบายความตอนนี้เองคือวิสุธทธิมรคมหาดีกาหรือคัมภีปร ม, มัตถมัญชุษาได้ไขความว่าคําว่าสมัตญาณิเป็นชื่อของผู้ดํารงในฌานหรือในอุปจาระแห่งฌานบําเพ็ญอยู่ซึ่งวิปัสนาอย่างไรก็ตามเรื่องที่ว่าการบําเพ็ญวิปัสนาจะอยู่ในฌาน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 ซึ่งกล่าวถึงพระอาหารหันต์ปัญญาวิมุตตว่าพระปัญญาวิมุตตมีห้าอย่างคือพระสุขวิปัสสกะหนึ่งและท่านผู้ดำรงอยู่ในฌานสี่ฌานใดฌานหนึ่งมีปฐมฌานเป็นต้นบรรลุอาราหัตผลอีกสหลักฐานนอกจากนี้ล้วนแสดงการปฏิบัติแบบออกจากฌานก่อนเป็นพื้นเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบรรยายวิธีบำเพ็ญวิปัสสนาโดยตรง จะมีข้อความทํานองเดียวกันว่าเข้าฌานออกแล้วกาหนดองฌานและธรรมะที่ประกอบร่วมกับฌานนั้นหรือเข้าฌานออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายหรือออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาสมาปฏิธรรมหรือออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานธรรมเป็นต้น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 คำบรรยายวิธีบำเพ็ญวิปัสนาโดยออกจากชาญแล้วพิจารณาสังขาร น, นั้นได้แบบจากคำภีชั้นรองในพระไตรปิฎกนั่นเองตัวอย่างที่เห็นชัดคือในคำภีคุตกานิกายสุตตนิบาตมีข้อความสั้นๆตอนหนึ่งว่าบุคคลรู้จักกรรมที่ปรุงแต่งให้เกิดอากินจัญญายตนะว่ามีนันทิเป็นสังโยชรนรู้จักอย่างนี้แล้ว แต่นั้นย่อมเห็นแจ้งคือเท่ากับบําเพ็ญวิปัสนาในอากินจัญญายตนะนั้นข้อความตอนท้ายที่ว่าแต่นั้นย่อมเห็นแจ้งในอากินจัญญายตนะนั้นคำพีจุนลนิเทศซึ่งเป็นคำภีชั้นรองในพระไตรปิฎกอธิบายขยายความออกไปว่าหมายความว่า บุคคลนั้นเข้าอากินจัญญายตนะแล้วออกจากอากินจัญญายตนะนั้นแล้วเห็นแจ้งคือทรรมวิปัสนาเห็นแจ้งทรรมคือจิตและเจตสิกทั้งหลายซึ่งเกิดในอากินจัญญายตนะนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ในอัธกถาของคำภีทั้งสองนี้ก็มีคำอธิบายทํานองเดียวกัน คำอธิบายเรื่องนี้ในคำภีชั้นรองก็ดีในคำภีรุ่นอัตกรถาก็ดีล้วนจัดได้ว่าเป็นแนวอภิธรรมทั้งสิน้นธรรมดาว่าคำภีสายอภิธรรมนั้นย่อมพยายามวิเคราะห์ธรรมะทั้งหลายออกไปอย่างละเอียดเมื่ออธิบายเรื่องจิตก็วิเคราะห์ออกไปเป็นขณะขณะแสดงให้เห็นการทำงานของจิตโดยสัมพันธ์กับธรรมะอย่างอื่นเช่นการเกี่ยวข้องกับอารมณ์เป็นต้น ในกรณีที่จะอาศัยฌานเพื่อบำเพ็ญวิปัสสนานี้ขณะอยู่ในฌานสมาบัติแท้ๆยังทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะอารมณ์ของฌานนั้นอย่างหนึ่งส่วนอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอีกอย่างหนึ่งขณะอยู่ในฌานจิตแนบอยู่กับอารมณ์ของฌานการพิจารณาสังขารด้วยจิตเดียวกับจิตที่เข้าสมาบัติเป็นสิ่งที่ไม่อาจทาได้ดังนั้น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 เมื่อออกจากฌานแล้วในกรณีนี้จิตก็ขึ้นสู่วิถีอีกในทันทีและโดยอิทธิพลของฌานสืบเนื่องมาจิตก็แน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิต่อไปอีกมีใจหมายความว่าเมื่อออกจากฌานสมาบัติแล้วจิตจะกลับมาสู่สภาพวุ่นวายหรือวันไหวาตามปกติอย่างที่อาจจะเข้าใจกันไปบุคคลผู้นั้นดำรงอยู่ในอัปปนาหรือใช้จิตที่เป็นอัปปนาสมาธินั่นเอง จเจริญวิปัสนาโดยกำหนดพิจารณาองค์ฌานทั้งหลายหรือจะพูดให้กว่างเพื่อคลุมถึงธรรมะอย่างอื่นที่มีอยู่ในฌานทั้งหมดก็ว่าพิจารณาฌานธรรมฌานสัมปัจุตธรรมสมาปฏิธรรมสมาปฏิสัมปัจุตธรรมจิตและเจตสิกที่เกิดในฌานหรือพิจารณาสังขารทั้งหลายก็ได้ทั้งสิน้นในฌานหรือสมาบัติที่ตนเพิ่งออกมานั้นจนเห็นไตร ล, ลักษ เรียกว่ากำหนดองค์ชาญและอื่นๆเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาสมาธิที่มั่นคงขึ้นด้วยการแด้ชาญสมาบัติแล้วนี้จะช่วยให้การบาเพ็ญวิปัสสนาสะดวกคล่องสำเร็จผลง่ายมากขึ้นยิ่งได้อภิญญาด้วยแล้วก็ยิ่งดีข้อนี้นับว่าเป็นส่วนดีหรือเป็นคุณค่าพิเศษของการเจริญสมถะก่อน และจึงเจริญวิปัสนาภายหลังการเจริญวิปัสนาด้วยการเข้าฌานสมาบัติก่อนเมื่อออกจากฌานสมาบัติแล้วจึงใช้จิตที่เป็นสมาธิแข็งกล้าสืบทอดมาจากกำลังฌานนั้นกำหนดพิจารณาสังขารอย่างที่กล่าวมานี้อัธกถ า, าบัญญัติสั์ขึ้นมาเรียกว่าจเจริญวิปัสนาที่มีฌานเป็นบาด หรือทำฌานให้เป็นบาทของวิปัสนาหรือทำสมาบัติให้เป็นบาทของวิปัสนาและฌานสมาบัตินั้น <men> ก็เรียกว่าฌานที่เป็นบาทของวิปัสนาหรือสมาบัติที่เป็นบาทของวิปัสนาหรือฌานจิตที่เป็นบาทของวิปัสนาในวงเล็บวิปัสนาปาทกาฌาน วิปัสนาปาฏกสะสมาบัติปาฏกสะฌานและอื่นๆทั้งนี้เรียกตามขั้นของฌานสมาบัติที่เป็นบาสนั้นว่าทำปฐมฌานให้เป็นบาตทำทุติยฌานให้เป็นบาตจนถึงทำอากินจัญ ญ, ญายตนะฌานให้เป็นบาตเป็นต้นหรือว่าวิปัสสนามีปฐมฌานเป็นบาตวิปัสสนามีทุติยฌานเป็นบาต วิปัสนามีอรู ป, ปรสมาบัติเป็นบาตเป็นต้นยิ่งฌานที่เป็นบาตสูงเท่าใดสมาธิจิตที่ใช้ทาวิปัสนาก็ยิ่งประณีตมั่นคงมากขึ้นอยู่ในระดับของฌานสมาบาัติที่เป็นบาตนั้นปัญญาที่เป็นตัววิปัสนาก็อาจถูกเรียกแยกเป็นขั้นๆตามฌานสมาบัติที่เป็นบาตเช่นเรียกว่า วิปัสนาปัญญาในระดับปฐมฌานหรือปฐมฌานวิปัสนาปัญญาเป็นต้นและมรรคคือการตรัสรู้ที่จะเกิดขึ้นก็จะประกอบด้วยฌานสมาบัติระดับเดียวกับที่ใช้เป็นบาทนั้นเช่นกันทั้งนี้ยกเว้นเนวสัญญาณาสัญญายัตนะและสัญญาเวทอิตานิโรธ เท่าที่กล่าวมานี้พอให้เห็นได้ว่าคําพูดว่าบําเพ็ญวิปัสนาในชาญก็ดีออกจากชาญแล้วบาเพ็ญวิปัสสนาก็ดีไม่ขัดแย้งกันอย่างแรกเป็นการพูดในยะกว้างจะว่าเป็นการพูดแบบปริยายหรือสำนวนพระสูตรก็ได้ตามในยานี้คําว่าชาญหมายถึงทั้งตัวชาญเองแท้ๆและสภาวะจิต ที่เรียบสม่ำเสมอมั่นคงด้วยกําลังของฌานนั้นที่ว่าบาเพ็ญวิปัสสนาในฌานก็คือเมื่อเข้าฌานแล้วก็ใช้ภาวาจิตที่ตั้งมั่นด้วยกําลังฌานบาเพ็ญวิปัสสนาต่อไปส่วนคําพูดอย่างหลังว่าออกจากฌานแล้วบาเพ็ญวิปัสสนาเป็นการพูดในยะจำเพาะจะว่าเป็นการพูดโดยนิปริยาย หรือสำนวนพระอภิธรรมก็ได้ท่านว่าสุตตันตะเทศนาเป็นปริยายกากถาอภิธรรมเทศนาเป็นนิปริยายากถาตามในย่าหลังนี้คำว่าฌานหมายถึงตัวฌานเองแท้ๆเท่านั้นคือหมายถึงการที่จิตกำหนดแน่วอยู่กับอารมณ์ของสมถะ เช่นนิมิตของลมหายใจและกะสินเป็นต้นเพียงอย่างเดียวส่วนภาวะจิตที่มั่นคงสม่ำเสมอด้วยกำลังฌานสานวนอภิธรรมแยกออกมาเป็นอีกตอนหนึ่งต่างหากเป็นตอนที่ออกจากฌานแล้วคือจิตปล่อยอารมณ์ของสมถะหลุดไปหรือขาดตอนไปแล้วแต่ด้วยกำลังฌานจิตจึงยังคงตั้งมั่นมีสมาธิเป็นอย่างดี ถึงตอนนี้ผู้ปฏิบัติธรรมอาศัยภาวะจิตนี่แหละบำเพ็ญวิปัสนาโดยกลับยกเอาฌานพร้อมทั้งธรรมะต่างๆเช่นวิตกวิจารปีติสุขฉันทะวิริยะเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในฌานที่ตนเพิ่งออกมาแล้วนั่นเองขึ้นมาทำเป็นอารมณ์ของวิปัสนาเสียเมื่อมียอมเรียกภาวะจิตนี้ว่าอยู่ในฌานก็ต้องหาถ้อยคามาเรียกให้เหมาะ รอถึงแม้จะออกจากฌานแล้วแต่ภาวะจิตตอนนี้ก็มิใจกลับไปมีสภาพอย่างเดิมเหมือนเวลาก่อนเข้าฌานอัธกถายุติปัญหานี้โดยคิดคำขึ้นใช้ใหม่เรียกว่าทำฌานให้เป็นบาทส่วนการตัดแยกระหว่างตัวฌานแท้ๆกับภาวะจิตที่ตั้งมั่นอยู่ต่อมาด้วยกำลังฌานอัธกถาอาศัยหลักเรื่องภวังขจิต มากำหนดเป็นการออกจากชานให้ขาดตอนจากกันคำว่าผวังหรือะวังขจิตมีในพระไตรปิฎกเฉพาะในคมภีปัจฐานแห่งพระอภิธรรมเท่านั้นรั้นถึงรุ่นอธกถ า, าจึงใช้กันเดินขึ้นรวงความที่สันนิษฐานตามหลักฐานเหล่านี้ว่าจำนวนพูดโดยปริยายว่า อยู่ในฌานเจริญวิปัสสนามีความหมายครอบคลุมเท่ากับที่อัตถกถาแยกพูดโดยนิปริยายว่าเข้าฌานออกจากฌานแล้วพิจารณาสังขารหรือออกจากฌานที่เป็นบาทแล้วพิจารณาสังขารหรือทำฌานที่เป็นบาทเจริญวิปัสสนาหรือได้ฌานแล้วเจริญวิปัสสนาที่มีฌานเป็นบาท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 และจึงเป็นบาทหรือเป็นประทัดฐานเพื่อได้ผลสำเร็จที่สูงยิ่งๆิ่งขึ้นไปพระอัฏฐกถาจารย์นับแจงตามข้อความในพระสูตรให้เห็นว่าจิตเช่นนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติแปดอย่างคือสมาหิตะตั้งมั่นบริสุทธะบริสุทธิ์บริโยธาตะผ่องใส อนังคณะโปร่งโล่งเปลี่ยงเก่าวิวกตูปากิเลสปราศิ่งมัวหมองมุทุภูตะนุ่มนวลกรร ม, มนิยะกควรแก่งานทิตตะอาเนชปัะตะอยู่ตัวไม่วอกแวกวันไหวอย่างไรก็ตามผู้ที่ได้ชาญแล้ว แต่ไม่ได้ชานเป็นบาตรจะเจริญวิปัสนาเพียงด้วยอุปจารสามาธิโดยคณิกาสมาธิเท่านั้นก็ย่อมได้แต่จะมีสภาพเหมือนกับผู้ที่เจริญวิปัสนาอย่างเดียวโดยไม่ได้ชานมาก่อนซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป